บทที่ยี่สิบสี่นายพลพชิเวลาสามทุ่มเศษบรรดาญาติโยมที่ปฏิบัติกรรมฐานพากันเดินกลับกุฏิของตนเพื่อพักผ่อนหลับนอนจะได้มีแรงตื่นขึ้นมาทําวัดเช้าตอนตีสี่ คงมีแต่บุรุษวัยเจ็สิบเศษผู้เดียวเท่านั้นที่ยังไม่ยอมเข้าไปพักที่ยังไม่ยอมเข้าที่พักเขาขอร้องพระบวญเยวให้พาไปพบท่านพระครูโดยอ้างว่ามีปัญหาจะเรียนถามท่านเป็นกรณีพิเศษอาตมาไม่อยากรบกวนท่านเลยท่านเพิ่งหายอาพาธพระบวญเยวไม่เต็มใจจะพาไปเพราะท่านไม่อยากรบกวนพระอุปชาผมไม่รบกวนท่านนานหรอกครับ สักสิบนาทีเท่านั้นโยมน่าจะถามอาตมาถ้าอาตมาตอบไม่ได้ค่อยไปถามหลวงพ่ออาจารย์ผู้อาวุโสน้อยกว่าลูกศิษย์พยายามหาทางออกผมคิดว่าท่านตอบไม่ได้หรอกครับขอโทษผมไม่ได้คิดดูถูกท่านนะครับเพียงแต่ผมคิดว่าท่านคงตอบคำถามผมไม่ได้เพราะที่จะตอบปัญหาได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น ถึงขนาดนั้นเชียวหรืองั้นอาตมาเห็นจะต้องพาโยมไปแล้วละ่ะเพราะอาตมาเชื่อ ว, ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านต้องตอบได้แน่ภิกษุวัยสาสิบเศษพลอยตื่นเต้นไปด้วยงั้นกรุณาพาผมไปเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไหมครับได้แต่โยมต้องรออยู่ข้างล่างก่อนอาตมาจะขึ้นไปขออนุญาตท่านเมื่อได้รับอนุญาตแล้วโยมค่อยขึ้นไป จากนั้นพระอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันเดินทางไปยังกุฏิท่านพระครูนายแดงกําลังปิดประตูกุฏิกรันเห็นพระโบเฮียวมากับบุรุษสูงวัยจึงถามหลวงพี่จะมาพบหลวงพ่อหรอครับหลวงพ่อมีแขกอยู่ข้างบนหรือเปล่าแทนการตอบท่านกลับถามไม่มีครับเห็นท่านบอกว่าจะเขียนหนังสือผมจะขึ้นไปเรียนท่านนะครับ ว่าหลวงพี่มาว่าแล้วชายหนุ่มก็เปิดประตูแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนบอกพระโบเฮียวขึ้นมาองค์เดียวอีกคนให้รอก่อนท่านพระครูบอกในแดงโดยที่เขายังไม่ทันเอ่ยปากพูดแต่อย่างใดชายหนุ่มจึงลงไปบอกพระโบเฮียวตามนั้นเมื่อพระโบเฮียวกราบสามครั้งแล้วท่านพระครูจึงเอ่ยขึ้นก่อนว่า ความเป็นพระอาหารหันไม่ได้วัดกันที่ตอบปัญหาได้หรือรู้อะไรอะไรที่คนธรรมดาไม่รู้บัวเหียยเธออย่าเข้าใจผิดเธอเองก็ปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วจะคิดจะพูดอะไรก็ต้องไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนมีเช่นนั้นจะได้ชิวว่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะเป็นพระโสดาบันก็ยังประมาทได้นะพระโสดาบัน เป็นผู้ปิดอบายภูมิทั้งสีได้แล้วยังจะมีความประมาทอีกหรอครับสิทธามได้สิความประมาทของท่านมีผลทาให้การบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปต้องลาช้าแต่ไม่มีผลไปทำให้เกิดอไ น, นอบายภูมิแต่ถึงจะลาช้ายังไงก็ไม่เกินเจ็ดชาติหรอกครับหลวงพ่อเพราะชาติที่8ปจะไม่มีสำหรับพระโสดาบัน ท่านไม่เกิดชาติที่แปดแน่นอนที่เธอพูดมานั้นหมายถึงพระโสดาบันประเภทสัตว์ขัดตุงประมะแต่พระโสดาบันประเภทเอกพีชีท่านจะเกิดได้เพียงอีกครั้งเดียวท่านพระครูอธิบายผมว่าอีกครั้งเดียวก็ไม่น่าเกิดนะครับหลวงพ่อชีวิตนี้น่าเบื่อออกชีวิตหน้าอาจจะน่าเบื่อกว่าชีวิตนี้ เพราะฉะนั้นเธอต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่จะได้ไม่ต้องเกิดอีกเหมือนหลวงพ่อใช่ไหมครับไม่เหมือนเอาละแล้วเธอจะรู้เองไปบอกในพลคนนั้นขึ้นมาพบฉันได้เสร็จแล้วก็ให้กลับไปพักผ่อนไม่ต้องรอคขาอะไรนะครับหลวงพ่อว่ายมคนนั้นเป็นในพลเหรอครับถูกแล้วเป็นในพลเอกด้วย ก่อนไหนเธอเป็นอาจารย์เขาทำไมไม่รู้ล่ะก็เขาไม่ได้บอกผมนี่ครับเขาก็ไม่ได้บอกชันเหมือนกันแต่ทำไมชันรู้เธอไม่สงสัยหรือก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับหลวงพ่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเองแม้จะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหลายปีแต่ทำไมผมไม่รู้ก็นี่แหละที่ชันพูดว่าเธอกับชันไม่เหมือนกัน จำไม่ได้หรือที่โบราณเขาบอกว่าไม้ไผ่ต่างปล้องผีน้องต่างใจคนเราเกิดมาต่างกรรมต่างวาระแล้วก็จะให้เหมือนกันได้ยังไงเอาละไปตามในพลคนนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลับกุฏิได้ทำไมหลวงพ่อไม่ให้ผมอยู่ด้วยล่ะครับผมจะได้เรียนรู้วิธีตอบปัญหาจากหลวงพ่อผู้อ่อนวัยกว่าอยากอยู่ฟัง จะเป็นการเสียเวลาสำหรับเธอกลับไปพักผ่อนดีกว่าไม่เสียเวลาหรอกครับเห็นเขาบอกว่าจะรบกวนหลวงพ่อแค่สิบนาทีเท่านั้นไม่เป็นอย่างที่เขาพูดหรอกเพราะเรื่องของเขายาต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงได้ยินดังนั้นพระโบเฮียวก็เปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นผมก็จะไปพักผ่อนผมไปแล้วครับ ท่านกราบอุปชาสามครั้งแล้วลุกขึ้นเดินลงบันไดไปบอกลูกศิษย์หลวงพ่อให้โยมขึ้นไปได้แล้วทำไมท่านขึ้นไปนานจังหรือว่าต้อนอ่อนวอนอยู่จนกว่าจะได้รับอนุญาตในพลเอกออกสงสยัยท่านสนทนากับอาตมา ขอโทษนะอย่าหาว่าอาตมาสอดรู้สอดเห็นเลยแต่อาตมาจะขอถามโยมว่าโยมเป็นในพลเอกหรือใครบอกท่านครับบุรุษสูงวัยรู้สึกแปลกใจเขาไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้ว่าตัวเขาเป็นใครมาจากไหนหลวงพ่อท่านบอกอาตมาเดี๋ยวนี้เองจริงหรือเปล่าที่ท่านบอกนะ่ะอาจารย์ถามอีกผู้เป็นสิทธิ์ไม่ตอบ ใครบอกท่านพระครูเหรอครับท่านทราบได้อย่างไรอัตมาก็ไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรตอนแรกคิดว่าที่ทราบพราะท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็บอกเมื่อตกี้นี้เองว่าความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้วัดกันที่ตอบปัญหาได้หรือรู้อะไรอะไรที่คนธรรมดาไม่รู้อัตมาคิดว่าคงไม่มีใครบอกหลวงพ่อท่านมีอะไรแปลก อย่างนี้มานานแล้วท่านรู้ทุกอย่างที่ต้องการรู้ตกลงว่าโยมเป็นในพลเอกจริงไหมและเป็นทหารหรือตำรวจละ่ะท่านพลครูไม่ได้บอกห ร, อกหรือครับไม่ได้บอกอาจเป็นเพราะอาตมาไม่ได้ถามกระมังแล้วถ้าผมตอบว่าผมไม่ได้เป็นในพลเอกล่ะครับถ้าโยมพูดจริงก็แปลว่าเห็นหนาของหลวงพ่อเสื่อมสมรรถภาพ แต่ถ้าโยมพูดไม่จริงก็บาปมากที่โกหกพระอาหารหันต์อาตมาคิดว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระอาหารหันต์นะเอาเถอะไว้คุณโยมคุยกับท่านแล้วจะรู้ว่าท่านเป็นอย่างไรเชิญขึ้นไปได้ท่านจะรอนานแล้วท่านไม่ขึ้นไปด้วยหรอครับหลวงพ่อท่านไม่อนุญาตโยมรีบขึ้นไปเถอะส่วนอาตมาจะกลับไปพักผ่อนนายพลเอกรู้สึกยินดีที่อาจารย์จะไม่ขึ้นไปด้วย จึงกราบท่านสามครั้งแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนเขากราบท่านพระครูสามครั้งแล้วแนะนำตัวว่าผมนายพชิมาขอรบกวนเวลาท่านพระครูสักสินาทีครับเขาไม่ยอมเรียกท่านว่าหลวงพ่อด้วยเห็นว่าท่านอ่อนวัยกว่าจเจริญพรท่านในพลมีอะไรจะพูดกับอาตมาก็เชิญได้ท่านทราบได้อย่างไรว่าผมเป็นในพล ถามเสียงห้วนทราบจากประสบการณ์นะสิอาตมาปฏิบัติมามากจึงมีประสบการณ์มากนอกจากท่านจะเป็นในพลแล้วประสบการณ์ยังบอกอาตมาอีกว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนท่านมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงปลัดกระทรวงการาโหมก่อนนับเป็นตาแหน่งที่สูงสุดของข้าราชการประจำ แต่ก็น่าเสียดายที่ท่านนําไปใช้ผิดทางถึงได้เกิดปัญหาตามมามากมายปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลประมัวแต่คลุ่นคํานึงถึงแต่เรื่องในอดีตภาพเด็กทารกที่ท่านเห็นในนิมิตนั้นน่ะมันก็มาจากการกระทําผิดพลาดในอดีตท่านพระครูพูดไปเรื่อยๆทั้งที่ในพลพระชิ้ยังไมิทันได้ถาม ได้ฟังเรื่องราวในครั้งอดีตของตนในพลพูดเท่าถึงกับน้ำตาร่วงเกิดศรัทธาภาสาทะในพระพิสุท์ที่นั่งอยู่เบื้องหน้าจนต้องก้มลงกราบท่านด้วยความนอบน้อมและด้วยใจที่เคารพนับถือโดยไม่ได้รังเกียจว่าท่านอายุน้อยกว่าเหมือนที่คิดไว้ในตอนแรกพระคุณเจ้าพูดแทงใจดำผมอย่างนี้ผมทราบซึ้งนัก ผมมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วขอรับเป็นบุญของผมที่ได้มาพบพระอรหันต์เพราะท่านรู้เรื่องของผมทุกอย่างโดยที่ผมก็ลืมมันไปแล้วท่านอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์จึงรู้เรื่องราวของท่านมันคนละเรื่องกันท่านต้องแยกแยะระหว่างอัิญญากับอรหัตตผล คนที่ได้อภิญญาไม่จำเป็นต้องเป็นพระอาหารหันยกเว้นเขาจะได้อภิญญาข้อที่หเรียกว่าอสวกยญาณถ้าได้ข้อนี้จึงจะเป็นพระอาหารหันต์แต่ถ้าได้ข้อหนึ่งข้อใดในห้าข้อแรกหรือได้ครบทั้งห้าข้อแต่ยังเป็นปุถุชนซึ่งหมายถึงผู้มีกิเลสนะก็สามารถทำชั่วได้อย่างเช่นพระเทวทัต ท่านได้อภิญญาถึงห้าข้อแต่ก็ยังต้องไปตกนรก A v G. อเวจีอภิญญาห้าข้อมีอะไรบ้างครับท่านพ้นเอกพชิใครรู้มีหนึ่งอิทธิวิธีหรืออิทธิวิทาคือความรู้ถิ่นทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพปาโสดคือยานทิ่ททำให้มีหูทิพ 3. เจโตปริยญาณยา คื อ, อยานที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้ 4. บุพเพนิวาสานุสติคื อ, อยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพจักสุคื อ, อยานที่ทำให้มีตาทิพหข้อนี้ปุตุชนก็มีได้ส่วนอสวะคยายานซึ่งเป็นข้อที่หจะมีแก่พระอรหันต์เท่านั้นปุตุชนมีไม่ได้ ผมเชื่อว่าพระคุณเจ้าได้อภิญญาครบหกข้อที่ว่ามานี้เขาพูดอย่างมั่นใจอย่าพูดอย่างนั้นท่านยังเป็นปุถุชนอย่าพยากรณ์อรหัตผลไม่ได้ไม่ต้องไปคิดว่าใครเป็นพระอรหันหรือไม่เป็นเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของนักปฏิบัติ นักปฏิบัติมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ไปสนใจคนอื่นอย่างท่านนี่ก็นับว่าโชคดีที่ได้เข้ามาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติเพราะท่านจะมีโอกาสชดใช้กรรมที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตการปฏิบัติยังตั้งอกตั้งใจก็จะสามารถชดใช้กรรมที่ทำไว้ให้หมดไปได้กรรมในที่นี้ก็หมายถึงอกุศ ล, ลกรรม แต่ถ้ากรรมหนักเช่นฆ่าพอ่อฆ่าแม่แกไม่ได้ต้องตกนรกเท่านั้นและคนที่ทำกรรมอกุศลเช่นฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ต้องตกนรกไหมครับพ้นเอกพระชิพยายามตะล่อมเข้าสู่เรื่องของตนต้องตกแน่การละเมิดศีลห้าไม่ว่าจะเป็นข้อใดต้องตกนรกทั้งนั้นอาตมาสงสารคนไทย ที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ละเมิดศีลได้ทุกข้อคนแบบนี้มีตั้งครึ่งค่อนประเทศคนบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่านับถือพุทธต้องตกนรกก็เลยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นที่เขาสามารถล้างบาปได้เป็นอย่างนี้ก็มากเหมือนผมเลยครับพระคุณเจ้าผมเคยคิดว่าจะนับถือศาสนาอื่นเพื่อจะล้างบาปกรรมที่เคยทาไว ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนาศาสนาแน่นอนตอนนั้นเกิดความรู้สึกว่ า, าศาสนาพุทธนี่มงวดมากข้าสัตว์ก็บาปดื่มสุราก็บาปผมก็เลยไปนับถือาศาสนาอื่นแต่พระคุณเจ้าเชื่อไหมครับตกกลางคืนบนรรพบุรุษของผมล้มหายตายจากไปนานแล้วพากันมาต่อว่าผมจนต้องยอมจำนนมากันหมดเลยครับทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โดยเฉพาะปู่นั้นท่านพูดกับผมว่าบรรพบุบรุษของไทยได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังแล้วทำไมละ่ะเจ้าจะมาละทิ้งศาสนาเดิมไปหาศาสนาอื่นในฝันปู่หน้าเศร้ามากแสดงว่าท่านไม่ต้องการให้ผมไปนับถือศาสนาอื่นใช่ไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นเอาละ ก็เป็นอันว่าท่านจะไม่เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ผมฝันเห็นโป ộ, ผมก็ตั้งปณิธานไว้เลยว่าผมจะไม่อกตันอยู่ต่อบรรพบุรุษจากนั้นไม่นานก็มีคนมาแนะนําให้ผมเข้ากรรมฐานที่วัดนี้แต่ผมปฏิบัติไม่ได้ผลเลยครับพระคุณเจ้าช่วยบอกทางให้ผมด้วยต้องอดทนนะท่านต้องตั้งใจปฏิบัติ แล้วก็ขอเอาโหสิกรรมต่อคนที่ทันเคยฆ่าเข้าไว้จากนั้นจึงอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เขาผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับว่าเคยฆ่าใครไว้บ้างมาหลายคนเลอกเกินกว่าจาะเกษียณราชการผมฆ่าคนนับร้อยเพราะผมเป็นทหารนั่นเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติอัตมาเองก็เคยเป็นแม่ทัพฆ่าคนมามาก ต้องรับเวรรับกรรมอยู่นานแต่กรรมที่ท่านกำลังทำผลอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของประเทศชาติแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวท่านมีความโลภอยากร่ำอยากรวยถึงกับทุจริตต่อหน้าที่รับสินบาทค่าสินบนใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความร่ำรวยให้ตนเองแอบขายอาวุธให้กับข้าสึกจนร่ำรวยท่านมีลูกสาวสองคน คนหนึ่งเกิดท้องกับในพลทหารรับใช้ท่านก็พาลูกสาวไปเอาเด็กออกและก็ฆ่าพลทหารที่เป็นพ่อของเด็กเสียเพื่อจะให้ลูกสาวไปแต่งงานกับด็อกเตอร์ที่ท่านคิดว่าจะให้มาดำเนินธุรกิจของท่านพอเข้าปฏิเสธท่านก็หาทางกลั่นแกล้งเขาจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องอพยพไปตั้งรรากอยู่ในอเมริกานี่แหละกรรมที่ท่านสร้างไว้ และท่านก็กำลังจะรับผลของมันเด็กทารกที่ท่านเห็นก็คือหลานของท่านเขาอาแาดเพราะท่านไปทําให้เขาไม่ได้เกิดแต่ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ยอมทนต่อทุกขเวทนาที่ได้รับท่านก็จะแก้กรรมได้อย่าลืมว่ากรรมเก่าวต้องใช้กรรมใหม่ต้องอย่าไปสร้างอีกอตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือเท็จประการใดมีท่านผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ ครับพระคุณเจ้ามีผมผู้เดียวเท่านั้นที่รู้เพราะคนอื่นรู้เรื่องผมก็ถูกเก็บไปทีละคนสองคนจนหมดไม่มีเหลือผมบาปมากใช่ไหมครับในพลวัยเจ็ดสิบพูดเสียงสั่นเครือเพิ่งจะเห็นทุกเห็นโทษของการทำผิดคิดร้ายเขาลุ่มหลงมัวเมาในสมบัตินอกกายจะลืมนึกถึงผิดชอบชั่วดี เป็นแต่ก่อนท่านก็ต้องคิดกำจัดอาตมาที่รู้เรื่องของท่านพระคุณเจ้าพูดอีกก็ถูกอีกผมรู้สึกลายใจเลอเกินอย่างไรก็ตามผมถือว่าผมโชคดีที่ได้มาพบพระอรหันต์ผู้มีเมตตาเช่นพระคุณเจ้าเพราะอย่างน้อยเวรกรรมของผมก็จะได้ทุเลาเบาบางลงบ้าง ผมจะก้มหน้ารับใช้กรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยมิชอบผมจะบริจาคให้กับโมลนิธิการกุศลต่างๆและจะอุทิศบุญกุศลไปให้กับคนที่ผมโกงเข้ามาและที่ต้องคืนให้มากที่สุดก็คือแผ่นดินไทยของผมเมื่อก่อนผมอิจฉาคนที่โกงแผ่นดินก็เลยหาทางโกงบ้างเพราะอยากร่ํารวยเหมือนพวกเขา แต่เดือนนี้ผมไม่คิดอิจฉาแล้วผมสงสารพวกเขามากกว่าเพราะอีกไม่นานก็จะต้องมารับกรรมเหมือนผมอาตมาอนุโมทนาที่ท่านคิดได้ไม่เช่นนั้นจะต้องพกบาปติดตัวไปชาติหน้าอีกแล้วก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้น อาตมาถึงได้ตั้งบณิทานแน่วแน่ว่าจะไม่ขอเกิดอีกครับพระคุณเจ้าผมเองก็เบื่อไม่อยากเกิดอีกแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะทำกรรมไว้มากมายแล้วเกินผมเห็นจะต้องกลับไปพักผ่อนแล้วล่ะครับรบกวนเวลาเขียนหนังสือของพระคุณเจ้ามานานแล้วกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาที่มีต่อผมในครั้งนี้ เขากราบด้วยความนอบน้อมอีกครั้งแล้วจึงกลับไปพักผ่อนเวลาบ่ายสองโมงจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงลงรับแขกตามปกติสตรีอายุประมาณสี่สิบเศษกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูจะขอนิมนไปฉันเพนในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่คะ่ะที่ไหนแล้วก็มาไร่ละโยมท่านถาม ที่บ้านหนูค่าววันที่หนึ่งธันวาคมเธอตอบรู้แล้วว่าที่บ้านแต่อาตมาอยากทราบว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนหลักซี่ค่ะหลวงพ่อว่างหรือเปล่าคะท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดแล้วก็ตอบว่าว่างงั้นโยมช่วยเขียนแผนที่ให้ด้วยว่าบ้านโยมไปยังไงหนูเขียนไม่เป็นค่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะ หนูจะให้ลูกชายเขียนและส่งมาให้เป็นอันว่าหลวงพ่อรับแล้วนะคะหนูขอลาละค่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกชื่อเลยท่านหมายถึงชื่อผู้นิมนต์หนูรู้แล้วค่ะว่าหลวงพ่อชื่อพระครูเจริญไม่ใช่ชื่อโยมนะโยมชื่ออะไรอ๋อชื่อสุนีค่ะท่านพระครูรู้สึกคุ้นกับชื่อนี้ ทั้งหน้าตาและน้ำเสียงก็ดูเหมือนว่าจะเคยเห็นเคยได้ยินมาก่อนหากท่านก็นึกไม่ออกรู้แต่ว่าที่มานิมนต์ท่านเพราะไปนิมนต์หลวงพ่อแพรแล้วท่านไม่ว่างโยมไปวัดพิกุลทองมาเฉยไหมท่านถามทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะคะที่รู้เพราะอยากรู้โยมไปนิมนต์หลวงพ่อแพรแล้วท่านไม่ว่างก็เลยมานิมนต์อาตมาแทน จริงรึเปล่าก็หนูยังไม่รู้จักหลวงพ่อนี่คะนี่หนูก็เพิ่งมาเป็นหนนแรกแต่ทําไมรู้สึกว่าคุณกับหลวงพ่อจังรูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยเสียงอย่างเนี้ยหนูเคยเห็นเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะ้าเธอพยายามนึกหากก็นึกไม่ออกท่านพระครูเองก็มีอาการแบบเดียวกันหากท่านเก่อเกรงใจเห็นหนอ จึงไม่ไหว้วานให้ช่วยตรวจสอบอีกประการหนึ่งกอกเรงว่าคนที่ติดต่อคิวเธอจะรอนานแล้วนิมนท์พระไว้กี่รูปวัดเดียวกันหมดหรือเปล่าหนูก็อยากให้เป็นวัดเดียวกันหมดจะได้แม่ลำบากถ้าหนูจะขอให้หลวงพ่อช่วยนิมน์เพิ่มอีกแปดรูปจะได้ไหมคะให้เป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้งเก้ารูปเลย ถ้าขอความเห็นก็ได้แล้วอาตมาจะจัดการให้งานเริ่มกี่โมงละ่ะหนูก็ไม่ทราบคือหนูอยากให้มีสวดธรรมจักด้วยพอพระสวดเสร็จก็ถวายเพนพอดีถ้าอย่างนั้นก็ต้องเริ่มสิบนาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักด้วยต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มพอสิบเอ็ดนาฬิกาก็ถวายพัตหาน ตกลงตามนี้นะค่ะและหนูจะต้องส่งรถมารับไหมคะเธอถามอีกคงไม่ต้องเพราะมีคนถวายรถตู้ไว้จุได้สิบคนพอดีรวมทั้งคนขับด้วยหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านั้นก็ต้องว่าเก้ารูปกับหนึ่งคน